บุกทูเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดคำคุณรรรศพัพท์หนึ่งผู้หญิงชาราหนึ่งคน เอดนาสตาราเจนผู้หญิงอ้วนหนึ่งคนเอดนาเดเบลาเจนผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคนเอดนาราดูสนาลาเจนรถใหม่หนึ่งคัน อคอคลรถความเร็วสูงหนึ่งคันเอดบรอดบรครถนั่งสบายหนึ่งคันเอดอดคอดอดคลชุดเดรสสีฟ้าหนึ่งชุด อฟชุดเดรสสีแดงหนึ่งชุดเอเดรเอเสชุดเดรสสีเขียวหนึ่งชุดอซลฟูตันกระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบ เอ็ดนาทอดนาทกระเป๋าถือสีน้ำตาหนึ่งใบเอดนาฟวาท่อดนฟวาชกระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบเอดนาบลลาทอดบล คนใจดีหลายคน л ю б е з н ы л นลูเคนสุขภาพหลายคน у ч т и в ы л ю д е คนน่าสนใจหลายคน интересные л ю д е เด็กน่ารักมิลิเดซามลเดซาเด็กดื้อดรสกี้เดซาดรสกี้เดซาเด็กดีมร์นีเดซามร์นีเดซา